29การะเพท ก, กะัดจรวัตถุว่าด้วยโจรแหกเรือนจำบรรพชาข้อ92สมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐทรงมีพระบรมราชานุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดได้บรรพชาในพวกพระสมณะเชื่อสายพระสักยบุตรกุลบุตรเหล่านั้นใครๆจะทำอะไรไม่ได้ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดครั้งนั้นบุุษคนหนึ่งทำจรกรรมแล้วถูกเจ้าหน้าที่จองจำไว้ในเรือนจำเขาแหกเรือนจำหนีไปบรรพชาในหมู่ภิกษุมนุษย์ทั้งหลายพบเขา้าแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนี้คือโจรแหกเรือนจาคนนั้นเอาเถอะพวกเราจะจับภิกษุนั้นไป มนุษย์บางพวกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัตได้ทรงมีพระบรมราชาอนุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดไ ด, ได้บรรพชาในพวกสมณะเชื้อสายสักยะบุตรกุลบุตรเหล่านั้นใครๆจะทําอะไรไม่ได้พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงพระพฤติพรมจันท ร, ร์เพื่อทําที่สุดทุกโดยชอบเถิดมนุษย์ทั้งหลายพากันตําหนี ประนามโผนทนาว่าพระสมณะเชื่อสายสกยบุตรเหล่านี้ไม่ใช่ผู้หลบหนีภัยใครๆจะทําอันตรายไม่ได้ขณ น, นพระสมณะเชื่อสายสกยบุตรทั้งหลายจึงให้โจรแหกเรือนจําบรรพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายโจรผู้แหกเรือนจําไม่พึงให้บรรพชา รูปใดให้บรรพชาต้องอะบัตทุกขก